สองร้อยสามสิบเอ็ดพุทธธรรมสร้างคนจากการเรียนรู้รูปกับนามรูปนั้นคือภาวะที่ถูกรู้ได้จากนามของเราเองหรือจา ก, กจิตอันคือปัญญาของเราเองซึ่งเป็นธรรมสองกายนั้นคือองค์ประกอบของรูปกับนามเป็นธรรมสอง จะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นรูปกายและนามกายให้ชัดแจง้งการจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะที่เป็นรูปรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะที่เป็นนามนั้นเป็นการศึกษากระบวนศน์เป็นการศึกษาร ก, า ร, กษาระบวนการโปรเซสและเป็นการศึกษากระบวนธรรมะ ฟีโนเมนาของศาสนาพุทธแท้ๆตั้งแต่ต้นจนจบทีเดียวรูปนั้นมีภาวะของมหาภูตรูปสี่และอุปาทายรูป24เป็นต้นปรุงแต่งกับนามซึ่งจะศึกษาได้จากภาวะของนามห้าเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการ พระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ14เป็นพลังงานแห่งชีวะกิจนิยามจะเป็นเช่นนี้หากสามารถทาธรรมะรรสองให้เป็นธรรมะหนึ่งเอกะสโมสารนาได้สำเร็จจิตนิยามของผู้นั้นก็จะมีคุณสมบัติที่ไม่มีเวทนาที่เป็นพิษภัยโทษแก่อะไรอีกแล้วพลังงานจิตจึงมีคุณสมบัติเท่ากับพีชนิยาม แต่จิตนี้พัฒนาจเจริญขึ้นเป็นชีวะที่สามารถสัมผัสสัมพันธ์กับภายนอกอยู่อย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริงแล้วอนุโลมปฏิโลมไปกับชีวิตในโลกด้วยสัพปุริสธรรมเจ็ดและมหาประเทศสีรับใช้โลกอยู่โลกานุกรรมปายะอย่างมีประโยชน์คุณค่าต่อตนต่อสังคม